พุทธวงศ์เนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วก็ได้เอาข้อความในพระวินัยมากล่าวประกอบตอนนี้พระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ที่เมืองพาราณสีอยู่พรรษาแรกอยู่เลยตอนวันอาสาฬหะวันเพ็ญเดือน8ถือว่าเป็นวันก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคก็แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรวันนั้นก็มีพรหมบรรลุปโกธและก็มีพระัญญากูลัญญะ บรรลุเป็นพระโสดาบันในค่ำนั้นก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งเนี่ยนะที่ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยเพราะฟังคําสนทนาของยักษ์วันรุ่งขึ้นพระวปะก็บรรลุเนี่ยนะวันที่สองก็พัทยะวันที่สามมหานามะวันที่สี่ก็พระอัศเชพอถึงวันที่ห้าพระองค์ก็แสดงอนัตตาลักษณะสูตรท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นผ้าอรหันทั้งหมดก็มีผ้าอรหันเกิดขึ้นในโลกหรูป 6องค์นะที่เป็นมนุษย์หลังจากนั้นวันที่เจเนี่ยนะวันที่เจนับแต่วันแสดงธรรมาจากกัปวัตตนสูตรพระนาลากะก็ามาถามนาลากะปฏิปทาพระองค์ก็แสดงนารกษ์นารกษปฏิปทาปฏิปท า, าของผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระมุนีทีนี้ภายในพรรษานั้นเนี่ยนะภายในพรรษาแรกก็โดยสมัยนั่นแลในพระนครพาราณสี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 ไฟที่มันไหม้ลุกเนี่ยนะผิวหนังมันก็จะถูกด้วยไฟลุกไปมันก็จะกระดำกระดังเหมือนกับโคดางท่านก็เลยได้อสุภาษสัญญาพออสุภาษสัญญาตัวนั้นเนี่ยด้วยกุศลจิตเนี่ยนะจิตสงบที่เห็นความเป็นอสุภาษนะด้วยกุศลจิตที่เรียกว่าเจริญอสุภกรรมฐานโดยโดยอัธยาศัญญายว่างั้นไงมันก็ท่านก็เจริญกรรมฐานแล้วก็ที่เรียกว่าได้อสุภาษสัญญาเนี่ยนะอสุภาษสัญญาที่ยังจิตให้สงบมากมีความสุขกับการพิจารณาอสุภาษ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 ใครใครอย่าได้ทําอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตของยศกลุลบุตรเลยกระวัติวดานีิรู้เห็นเป็นใจช่วยกันไปเปิดประตูให้หมดเลยนะคล้ายระบบสมัยนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจก็ระบบรีโมทนั่นแหละก็ประตูก็เหมือนกับเปิดเองให้เองก็ไปเนี่ยนะครั้งนั้นยศกลุลบุตรก็เดินตรงไปยังประตูนครพวกอามนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยหวังใจไว้ว่าใครใครอย่าได้ทําอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตของยศกลุลบุตร ที่นั้นย ะ, ะกุลบุตรก็ได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนะมรกทายวันเนี่ยนะก็แสดงว่าผู้มีบุญเนี่ยนะผู้มีบุญเนี่ยอยู่ท่ามกลางวังก็อสุภาสัญญาก็ปรากฏขึ้นอาทีนวานุปัสนาหรืออาทีนวสัญญาก็เกิดขึ้นสัพพะโลเกอณพีรตะสัญญาก็แก่กล้าเนี่ยนะบุญกุศลคุณงามความดีที่สั่งสมมาก็ตักเตือนนะตักเตือนนั้น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 พระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกทั้งหลายก็อยู่ที่ป่าอิสิปตนมรุกขายวันอันโดยมากผู้ที่มีบุญมีอัธยาศัยมีอุปนิสยัยก็จะน้อมไปสู่ป่าอิสิปตนมรุกขายวันก็ถือว่าเป็นแหล่งของผ้าเรียเจ้าขันปัจจุสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตื่นบรรทมแล้วก็เสด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งก็คือปกติแล้วพุทธกิจของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นช่วง ตีสองถึงช่วงก่อนสว่างเนี่ยจะแบ่งออกเป็นช่วงหนึ่งไปเดินจงกรมช่วงหนึ่งพักช่วงหนึ่งออกจากพักเสร็จเนี่ยนะนะแล้วก็เข้าพระสมาบัติเขาออกจากพระสมาบัติก็เจริญมหากรุณาสมาบัติยานนะแผ่กรุณาไปในห ม, มู่สัตว์อนหาประมาณไม่ได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุด้วยอินทรียโปรปริยติยานและอาศยานุสยาญานก็เห็นว่าจะได้เป็นสมัยที่จะโปรด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 ทรมาราชิกะสถูปสถูปที่พระองค์แสดงอนัตตาลักษณะสูตรข้างหลังนั้นไปจะเป็นเสาพระเจ้าอาโศกแล้วข้างขวามือจะเป็นพระคันทกุตีเนี่นะเป็นพระคันทกุตีที่สร้างเพื่อให้พระองค์จำรรษาภรษาแรกแล้วก็ถ้าไปทางขวามือเดินไปทางนุน้นเดินไปทางทำเมฆสถูปเนี่ยนะไอ้ระหว่างทางจะมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่งไอ้ซุ้มตรงนั้นเนี่ยอยู่ขวามือตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า เชื่อกันว่าตรงนั้นเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าโปรดยะัะกษ์คุลบุตรเนี่ยนะสถานที่ตรงนั้นขณะนั้นยะัะกษ์คุลบุตรก็เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่มันขัดข้องเนาเนี่ยนะทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับยะัะกษ์คุลบุตรว่าดูก่อนยักษที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยักษ์นั่งลงเราจะแสดงอริยสัจธรรมแก่เธอเนี่ยนะ บอกว่ามานี่ที่นี่สงบนะที่นี่ไม่วุ่นวายเนี่ยนะก็คือคาว่าที่นี่ไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าเน้นแต่สถานที่โดยธรรมดาแต่ว่าที่นี่มีธรรมที่สงบที่นี่มีธรรมที่ไม่วุ่นวายเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเถอะมาที่นี่ทีนั้นยะกุลบุตรก็ร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง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 เมื่อยะศักดิ์บุรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพิกขาแสดงธรรมโดยลาดับลาดับก็คือแสดงทานแสดงทานแสดงการให้จบจากทานนะค์ ก, ก็แสดงเรื่องศีลทานก็เป็นวัตถุทานแสดงเรื่องทานเรียกว่าอ ม, มิสทานหรือวัตถุทานเสร็จแล้วค์ก็แสดงศีลซึ่งเป็นอภัยทาน พันผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทานศีลสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากลงก็แสดงเรื่องสวรรค์ต่างๆที่บุคคลพึงได้โดยอ น, นิสง์แห่งทานและศีลถึงจะอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะสวรรค์ก็เป็นโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธ ภ, ท, ภทั้งหลายพันรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปเนี่ยนะตำซาม น, นะรูปเสียงกลิ่นรสโพธภาพั่เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทษสารพัดชนิดเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองเป็นที่ตั้งแห่งความ คุนมัวเป็นที่ตั้งแห่งความวุ่นวายและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรแล้วพระองค์ก็แสดงถึงอ น, นิสงการออกจากกามว่าถ้าออกตัดชันธราคะตัดอะไรอววรในกรามทั้งหลายดีอย่างไรเนี่ยนะถ้าออกจากสิ่งเหล่านี้ด้วยสมถะวิปัสสนานั้นดีอย่างไรพระองค์เมื่อทาาราบวายะสะกุลบุตรมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีใจผ่องใส คำว่ามีใจสงบก็คือการมฉันทะไม่กลุ่มรุมจิตอ่อนก็พยาบาทไม่กลุ่มรุมจิตสงบก็ทีณมิทะไม่กลุ่มรุมมีจิตเบิกบานอุทจักกุกุจักก็ไม่กลุ่มรุมใจผ่องใสเพราะไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมก็แปลว่าใจที่ไม่มีนิวรณ์เป็นใจที่หายป่วยหายไข้เหมือนันเป็นใจที่หายป่วยหายไข้ทางความคิดเพราะว่ากิเลสเรีว่าความเศร้ามองที่ทําให้ใจเศร้ามองนั้นไม่เศร้าหมองแล้วก็มีใจสงบด้วยพระธรรมเทศนาเนี่ยนะ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 ก็แสดงทุกขาริยสัจสมุทัยอริยสัจ ท, ทุกนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจโสดาปฏิมักเนี่ยนะโสดาปฏิมักเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาเห็นอริยสัจธรรมโสดาปฏิมักที่ปราศจากทุลีคือกิเลสปราศจากความเศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสก็รู้ว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังสับพันธังนิโรธธรรมมังยังกินจิต อันนยังกินเจก็คืออุปาทานขันเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นนนสมุทัยมีเหตุคือสมุทัยเป็นแดนเกิดอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าก็คือทุกมีเหตุเกิดขึ้นก็คือทุกขสมุทัยสิ่งนั้นทั้งมวลก็คือขันห้าเนี้ยดับไปเพราะสิ่งนั้นทั้งมวลก็ดับไปเพราะดับเหตุก็คือนิโรธสัจจะนั่นเองยังกินเจสมุทัยทำมังอนนขันห้าสมุทัยสร้างขึ้น สัพพันธ์ทางนิโรตธรรมมังนี่ยนะสัพพันธ์ทางนิโรธาก็คือนิโรธ ถ, ถ้าหากว่ารู้ความดับของอุปาทาน ข, นขันห้าขันเหล่านั้นก็ดับพันโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเห็นอริยสัจธรรมเห็นความเกิดขึ้นความดับไปแห่งอุปาทานขันห้าก็คือเห็นอริยสัตนั่นเองผู้นั่งลงณที่ตรงนั้นดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ําย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นท่น การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องทานเรื่องศีลสวรรค์ทุกภยัยทุกโทษของกรมการออกจากการมก็เหมือนกับกระบวนการซักผ้าซักให้สะอาดเมื่อผ้านั้นสะอาดเต็มที่แล้วควรแก่น้ำย้อมพระองค์ก็ย้อมอะย้อมให้เป็นสีต่างๆได้เมื่อใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่เศร้าหมองเป็นใจที่ผ่องใส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 ก็พอฟังอย่างนั้นก็สว่างพอดีทีนี้รุ่งเช้ารุ่งเช้าสว่างมามารดาของยักษ์ศักยุลบทก็ขึ้นไปยังปราศาสตร์ไม่เห็นยักษ์ศักุลบุตรก็เข้าไปหาเศรษฐีผู้ครึหาบดีก็ได้ถามว่าท่านครหาบดีลูกยักษ์ศักยุลบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีครึหบดีก็ส่งทูตขี่ม้าตามหาทั้งสี่ทิศส่วนตัวเองก็ไปหายัางป่าอิศิ ป, ปตนะมฤุกขายาวันก็ไปพบรองเท้าทองเข้า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 ปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีใจผ่องใสพระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาคืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกขอริยสัจสมุ ท, ทยัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและก็ทุกขานิโรธทคขามินีปฏิปทาอริยสัจโสดาปฏิมัติที่ปราศจากทุลีปราศจากบนทิน ก็เกิดขึ้นว่ายังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันทางนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือโสดาปฏิมักเกิดขึ้นแก่เศรษฐีครึหั บ, บดีณนะที่นั้นดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำยอมฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็ฟังแล้วก็บรรลุโสดาปฏิมักเนี่ยนะบรรลุโสดาปฏิผลเห็นอริยสัจธรรม คันเศรษฐีครืหาบดีผู้มีอริยสัจธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุอริยสัจแล้วได้รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีอริยสัจอันตนอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วปราศจากถ้อยคําที่แสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระษาสระไม่ต้องอาศัยความเชื่อในเรื่องกับผู้อื่นเพราะเดี่ยวกับอริยสัจ ครั้งทุกขษัตริย์สมุทัยสัตต์นิโรสัจจะและมะัคสัจจะไม่ต้องอาศัยคนอื่นมามาคอยบอกคอยแนะไม่ต้องก็ได้กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์นี้แจ่มแจ้งนะัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ให้ไพเราะนะัดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมนะประกาศอริยสัจธรรมโดยอเนกปริยาย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 เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะนะก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเลยนะนะฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นนะจากจิตที่เศร้ามองมีจิตใจภาวะพะวาวกับบุตรทั้งหลายเข้าไปเฝ้ า, านะไปเฝ้าบัณฑิตเข้าไปครบบัณฑิตเข้าไปหาบัณฑิตแล้วก็เป็นผู้ที่บูชาบัณฑิตบัณฑิตก็แนะนําสั่งสอนตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตจิตก็ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสบัณฑิตก็ เกื้อกูลพระพุทธเจ้าก็ช่วยดึงเขาออกจากนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานนําออกจากพบในพบที่แปดเป็นต้นเนี่ยนะนออกจากความตกต่ำเนี่ยนะให้เป็นผู้เข้าถึงสัมมัตตานิยามเข้าถึงอริยมรรตสัลุอริยศาสตร์โดยถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่แน่นอนที่จะตรัสรู้อริยศาสตร์ต่อไป เป็นผู้ที่แน่นอนจะบรรลุอสกธาคามีมกักอนาคามีมักและอรหัตตมักพอเห็นอริยสัจท่านก็เข้าถึงโลกุตรธรรมโดยโลกุตรสรณคมเพราะว่าโลกุตรสรณคมแท้จริงนั้นต้องมีนิพานเป็นอารมณ์จึงจะเป็นโลกุตระสรณคมพอหลังจากนั้นท่านก็แป่งวาจาด้วยโลกียสรณคมเนี่ยนะด้วยศรัทธาและสัมมาทิฐิ ว่าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรยัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่มีใจไม่ห่างจากพระรัตนตรยัยแล้วก็ไม่มีการนับถือศาสดาอื่นอีกแล้วนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเศรษฐีผู้ครหา บ, บดีนั้นก็เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลกนั้นใครที่ถึงสารณะคนแรกก่อน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 เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนะีเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระรัตนตรัยไปเนี่นะยในที่สุดพระรัตนตรัยก็เรียกว่าทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อท่านถึงพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาเป็นต้นด้วยมัตตเป็นต้นท่านก็พ้นจากวัตรทุกข์โดยประการตั้งปวงคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บิดาของย asa กุลบุตร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 ก็พิจารณาอีกก็ทำโสดะสกะทาคามีมักให้เกิดเจริญอนาคามีมักให้เกิดทําอรหัตตมักให้เกิดขึ้นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะหลุดพ้นจากการมาสะวะภวาสะวะทิฐาสะวะและอวิชชาสะวะโดยประการทั้งปวงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระดำริว่าเมื่อแสดงธรรมแก่บิดาของยาาักษากุลบุตรอยู่จิตของยาาัษากุลบุตร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 จะไม่มีการคาดหวังหรือเข้าใจผิดคาดเคลื่อนว่าขันห้าจะเป็นอัตตาเพราะขันเหล่าใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะทิฏฐิของท่านไม่มีพัะท่านก็รู้ว่าเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะหรืออย่างที่ได้เรียนในสัชกาตประธรรมว่ากำลังของพระขีณาสพเจ็บประการก็คือท่านเห็นความไม่เที่ยงของขันห้า เห็นสมุทัยคือความเพลิดเพลินในขันห้าเหมือนกับหลุมฐานเพลิงและจิตของท่านน้อมไปในวิเวกอุปธิวิเวกสงบสงัดจากอุปาทานขันห้าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันดํารงมั่นเนี่ยนะสติปัญญาก็เจริญดีแล้วอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มัตเป็นต้นก็เจริญดีแล้วพันธ์ก็ปฏิยานได้ว่าเป็นผู้ผู้เป็นผ้าหาันเพราะว่าไม่มีอุปาทานขันเหล่าใดจะเป็นที่ตั้งแห่ง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 ท่านก็เลยพอมาถึงก็บอกลูกก็ลูกแม่ของเจ้านี่เศร้าโศกไหมโศกะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะการพลัดพลาดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกมันไม่มีขันเหล่าใดไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโธมณตอุปายะรกสําหรับบุคคลผู้กําหนัดและลุ่มหลงอยู่ใน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 เศรษฐีเครืหาบดีว่าดูก่อนเครืหาบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะย ะ, ะกุลบุตรนี้ได้เห็นธรรมะด้วยญาณทัศนะเพียงเสขะภูมิเหมือนท่านเมื่อพิจารณาภูมิธรรมะตามที่ได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนเครืหาบดีย ะ, ะกุลบตรควรหรือเพื่อจะกลับไปเป็นเครือขัดบริโภคการมเหมือนครือขัดครั้งก่อน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 พี่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นพี่เพิกถอนแห่งการตัดฉันราคะเมื่อบุคคลที่ตัดฉันราคาในอุปาทานขันห้าได้เด็ดขาดแล้วเนี่ยไอการที่จะไปมีความสุขความเพลิดเพลิน อ, อยู่ในรูปเสียงเปลี่ยนรถมันก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะก็เหมือนกับบุคคลที่มีใจเหี่ยวแห้งจากเอ่อจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจะไปให้ไปมีความสุขอยู่กับรูปมันก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ก็ไม่สมควร พระผู้มีพระ ภ, ระภาคก็ตรัสรับรองว่าดูก่อนเครือห บ, บดียาสาศักดุรได้เห็นรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อพิจารณาภูมิธรรมะตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนเครือห บ, บดียา่าศกดุรไม่ควรจะกลับไปเป็นเครหัส บ, บริโภคกา ร, รเหมือนครหัสทั้งหลายในครั้งก่อน